จ้าตั้งแต่ผมแต่งงานไปชีวิตผมก็ขาดความหวานไม่ได้อีกเลยวันนี้ผมจะเติมความหวานด้วยเมนูมัดใจเมีย